ทีนี้หลายคนก็เพิ่งมาวัดนะเพิ่งได้ใกล้ชิดนะกับาการปฏิบัติธรรมหลายคนก็มาวัดบ่อยนะหรือว่าอยู่วัดนานาไม่เฉพาะวัดนี้เท่านั้นนะอาจจะหมายถึงวัดอื่นก็ได้คนที่มาวัดบ่อยๆหรือว่ามาอยู่วัดนานๆเนี่ย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 แค่ความสบายนะอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเพราะว่าอาจจะสบายเพราะทุกอย่างมันราบรื่นก็ได้นในสมัพุทธกาลมีเศรษฐีนี่คนนึงหนึ่งนะชื่อนางเวเทชิกาเธอก็เข้าวัดอยู่บ้างนะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็สึกสบายวันหนึ่งเนี่ยนะนางทาสีหรือคนใช้เนี่ยอยากจะทดสอบว่า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 ตั้งที่มาอยู่วัดนะต้องนานนะอยู่วัดมันนานไอ้ เ, อเจ้บแบบนี้นี่ต้องถามนะว่าเออทําไมเราจะยังทำไมเราจึงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแทนที่จะไปบวนว่า้าลูกทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเขาทาอย่างนั้นนะคิดปรุงไปเลยนะคิดปรุงไปยืดยาวแปลกนะไอ้เรื่องผมพวกนบบนี้ผู้แบบนี้เนี่ยพอมันเราได้ยินเนี่ยนะเราไม่สบายใจนะ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 นี่เป็นเพราะเราฟุง้งนะที่เราฟุ้งเพราะเราเผลอ ER, เราลืมตัวนะ ท, ทันทีที่เห็นตรงนี้แหละนะมันจะได้คำตอบว่าทำไมเราจึางเป็นอย่างนั้นนะหลายคนไม่ค่อยถามตัวเองนะว่าทำไมเราต้องทุกข์เพราะเรื่องนี้มีแต่โกรธมีแต่โมโห ว, ว่าทำไมก็ททำอย่างนั้นทำไมก็ททำอย่างนี้แต่เราไม่เคยถามตัวเองว่าทาไมเราทุกข์เพราะการกระทาของเขาอย่างนี้เท่านั้นนะ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 คนฉลาดนี่ก็ต้องก็จะไม่พอใจคืนนี้นะเขาจะต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยพยายามฝึกจิตนะความหมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนะอันเนี้ยที่ผู้เจ้าตรัสนะหนึ่งในหกประการของโอวาทป า, าติโมกเนี่ยสำคัญมากนะความหมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง